ปรากฏที่กินปรากฏที่ยืนปรากฏที่นั่งปรากฏที่นอนของพวกโจรที่ชื่อว่ามีภัยน่ากลัวคือในหนทางนั้นปรากฏมีมนุษย์ถูกพวกโจรฆ่าปรากฏมีมนุษย์ถูกกล้นปรากฏมีมนุษย์ถูกทุบตีที่ชื่อว่าไม่มีกองเกวียนเป็นเพื่อนคือเว้นกองเกวียนคําว่าเที่ยวจารึกไปคือเที่ยวจารึกไปในหมู่บ้านมีกำหนดระยะชั่วไก่บินตก ต้องอบัตระจิตตีทุกๆละแวกหมู่บ้านเที่ยวจารีกไปในป่าไม่มีหมู่บ้านต้องอบัตระจิตตีทุกๆกึ่งยอด